พร้อมกันยังหลวงพ่อนึกว่าวันนี้เด็กๆจะมาฟังนะมีนักศึกษาบ้างไหมเนี่ยดูแล้วไม่มีน่าเสียดายแทนเด็กนะคือพวกเราเรียนมาพอสมควรนะส่วนใหญ่เคย เ, คยเรียนกับหลวงพ่อมาแล้วคนไหนไม่เคยเจอหลวงพ่อเรียนมีไหมช่วยยกมน่อสิ คนที่ไม่เคยเจอเนี่ยเคยฟังซีดีไหมคนไหนไม่เคยฟังเลยมีไหมมีไหมมีมีไม่มากนะไปฟังซะนะ <c oughs> ฟังแล้วจะรู้ว่าธรรมะสาคัญนะคือเราแต่ละคนเราปล่อยชีวิตนะหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งตลอดเวลาชีวิตเราผ่านไปเรื่อยๆแปบ๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งปีหนึ่ง ไม่นานก็หมดไปนี่ก็วันตรุจจีนอีกแล้วสิ้นปีก็นปีหนึ่งก็สั้นนิดเดียวืาอคนก็อยากทำโน้นทำนี่เยอะแยะเลยแต่ไม่ได้ลงมือสักทีถ้าปล่อยเวลาให้หมดไปเรื่อยๆน่าเสียดายอันนี้พวกเราแต่ละคนนะเราก็มีชีวิตสิ้นปีหรือปีใหม่อะไรอย่างนี้ก็มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังหวังว่าจะมีความสุขหวังว่าต่อไปชีวิตเราจะดีขึ้น เรามีความหวังแต่ถ้าเราเอาแต่หวังนะมันก็คงไม่ดีถ้าหวังว่ามันจะดีขึ้นก็นต้องทำเ ห, เหตุให้มันสมควรกับผลก็ต้องทำให้ดีผลมันถึงจะดีจะได้มีความสุขนี่เด็กเพิ่งจะมาเนาะสังเกตไหมส่วนใจเด็กใ จ, ใจมันแอบเลยใช่ไห ชีวิตคนเราแต่ละคนนะเราก็หวังว่าจะมีความสุขนะใฝ่ฝันทุกคนก็ปรารถนาความสุขกันทุกคนแต่ว่าความสุขมันเหมือนภาพหลวงตาเหมือนเหมือนจะมีนะเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็หายไปทุกทีะเหมือนจะจับได้ะจะจับต้องได้เหมือนภาพหลวงตาเหมือนพยับแดดอะไรเงี้ยเหมือนจะจับได้แต่แล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีะ ด น, นความสุขที่แต่ละคนสแสวงหานะบางทีก็สสแสวงหาไปตามสติปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากันคนในโลกก็เที่ยวหาความสุขความสุขจากการได้เห็นรูปสวยๆได้ฟังเสียงเพอเพได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยได้สัมผัสที่ดีได้คิดได้นึกอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินนี่นความสุขอย่างโลกโลก ความสุขอย่างนี้มันอยู่ชั่วคราวะก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีะแต่มีแล้วมันก็ทําให้เราไม่เป็นอิสระเพาความสุขที่มันต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาโอ้เด็กๆ เ, เพิ่งมานะเอาเข้ามาเข้ามามึงมุงอยู่หน้าห้องอนะ่ะแต่ละคนก็สแสวงหาความสุขไปเรื่อยนะ คนก็คิดว่าได้สัมผัสที่ดีมีรูปสวยๆมีเสียงเพร่าๆมีกลิ่นหอมๆกินของอร่อยอะไรนี่มีความสุขก็สุขเหมือนกันสุขแบบนี้สุขชัข่ชวครั้งชั่วคราวเห็นของสวยนะไม่ว่ามันจะสวยสักแค่ไหนดูนานๆก็เบื่ออย่างรูปโมนาลิซาเขาว่าสวยนักสวยหนานะให้เราดูสามวันสามคืนแล้วคงไม่เอาให่ไหมเราไปดูหมาดูแมวบ้างยังดูจะมีความสุข แค่ดูอะไรซ้ำๆ ซ, ซักๆนะจะดีจะวิเศษแค่ไหนนะสุดท้ายใจมันก็ไม่เอาก็เบื่ออย่างเราชอบอาหารอะไรสักอย่างนะรสชาติถูกอกถูกใจกินแล้วกินอีกนะสุดท้ายก็เบื่อไม่มีความสุขจริงน ะ, ะความสุขที่ยิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพวกนี้เป็นความสุขชั่วครั้งชัวคราวฝือหวาแรกๆเท่านั้นนะ แ, ะแต่ท่านเก็บมีแฟนเห็นไหมมีแฟนใหม่ๆก้น่าดู อยู่กันนานๆก็จุดชืดไม่มีความสุขแล้วถ้าไม่เห็นแล้วจะดูมีความสุขมากกว่าบางคนนี่ในโลกมันก็เป็นแบบนี้นะมันไม่เต็มอิ่มเราแต่ละคนก็เที่ยวหาความสุขไม่มีมันสิ้นสุดะตอนเด็กๆก็ฝ่ายฝันแลโตขึ้นชีวิตคงจะมีความสุขมากขึ้นตอนเด็กๆต้องเรียนหนังสือถ้าเรียนหนังสือจบเมื่อไหร่คงจะมีความสุขนะถ้าเรียนหนังสือจบนะพอใกล้ๆจะจบก็เริ่มทุกอีกแล้ ว่าจะไปหางานที่ไหนทำถ้าได้งานดีๆทำํำก็คงจะมีความสุขนี่คิดอย่างนี้ได้งานมาทําแล้วนั้นก็อยากได้ตําแหน่งใหญ่ๆได้เงินเดือนเยอะๆะทําไปทําไปบางทีก็ลดเงินเดือนอะไรเงี้ยไม่มีความสุขละหรือเงินเดือนไม่ขึ้นนะคนอื่นก็ขึ้นมากกว่าแค่นี้ก็ไม่มีความสุขละนี่ความสุขเป็นของเปล่าบางในโลกเนี้ยบางมากเลยงั้คนเราถ้า ไขหาแค่ความสุขแบบนี้นะก็จะอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่สุขละอย่างไปต้องการมีครอบครัวมีแฟนมีอะไรนะหวังว่ามีกับเขาสักคนสองคนจะมีความสุขอนะไรแบบแต่งงานไปแล้วก็หวังว่ามีลูกแล้วจะดีชีวิตคงยังสมบูรณนะ์บางคนก็มีความเชื่อแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบอ่างเงี้ยนะโอ้ทุกสมบูรณ์แบบไม่ว่าเนะมันก็ไม่เห็นหรอก นี่เราค่อยฝึกของเรานะค่อยค่อยค่อยสังเกตดูค่อยสังเก ต, เกตชีวิตแล้วอยู่ไปเรื่อยจนแกนะอยู่ไปเรื่อยจนแกเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ยังมีความหวังเองวันไหนหายป่วยแล้วจะมีความสุขมันไม่ค่อยหายนะยิ่งเป็นมากขึ้นมากขึ้นพอเจ็บป่วยมากทุกทรมานมากมากมา ก, ก็ฝันต่อไปหวงังต่อไ ป, อา ต, อไปอตายซะคงยังมีความสุข ในตั้งแต่เกิดจนตายนะที่ยวาหาความสุขไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนวิ่งหาความสุขมันเป็นภาพล่งตาที่หาเท่าไรก็ไม่เจอนะหยิบเหมือนจะหยิบได้แล้วก็หลุดมือหายไปทุกทีก็ต้องตั้งความหวังอันใหม่ขึ้นมาแทนแล้วก็หลอกล่อนะ้าตั้งความหวังใหม่ขึ้นมาเพื่อจะล่อให้เราวิ่งต่อไปสแสวงหาต่อไปดิ้นรนต่อไปอีกเม้่ชีวิตเราเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยะเหน็ดเหนื่อยมากเลย ตอนเรียนหนังสือนะ่มังหวังว่าเรียนจบจะมีความสุขเยภาคเพียรเรียนมากๆเหน็ดเหนื่อยนะทํามาหากินทํางานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหน็ดเหนื่อยนะมีครอบครัวก็เหน็ดเหนื่อยมีลูกมีเต้าต้องเลี้ยงอะไรเนี่ยเนีเรื่องเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นเลยมีตําแหน่งแล้วมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็กลัวคนอื่นเขาจะมาล้มเนี่ยเนี่ยทําธุรกิจแล้วสู้คนอื่นไม่ได้เลยมีเรื่องเครียดเครียดตลอดชีวิตนะ งั้นความสุขในโลกนะมันเหมือนภาพลวงตาท้านะมันจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเราเป็นมนุษย์เนะี่ยมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดนะีเป็นความสุขที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจของเราเองถ้าจิตใจเราได้รับการพัฒนาที่มากพอนะมันจะมีความสุขเยอะเลยนะเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งภายนอกนะมันเป็นอิ่มอยู่ในตัวเองนะความสุขชนิดนี้ไม่ใช่แค่นั่งสมาธินะ บางคนนี้คิดว่าตรงศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้นั่งสมาธินั่งสมาธิไปเรื่อยๆมีความสุขความสุขอย่างนั้นยังแปรปรวนอีกความสุขอย่างโลกโลกเขาเรียกว่าตามมาสุขก็มีความแปรปรวนไปนั่งสมาธินะเว็ความสุขก็เป็นสุขที่ยังแปรปรวนอีกอย่างวันนี้เรานั่งสมาธิจิตสงบมีความสุขออกจากสมาธิมาจิตไม่สงบแลก็ไม่มีความสุขอีกละ เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันสลับไปสลับมานความสุขของเราเปล่าบางอีกละขนาดนั่งสมาธินี่ไม่ต้องอิงอาศัยความสุขภายนอกไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นแต่ฝึกของเราเองนะแต่ปรากฏปรากฏว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังแปรปลวนอีกความสุขอะไรที่ยังแปรปลวนนะั้นเป็นความสุขจำปลอมเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่ได้หยุดอยู่แค่การนั่งสมาธิ หลายคนไปวาดภาพศา ส, สนาพุทธนะัเป็นศาสนาต้องนั่งสมาธิคนละเรื่องกันเลยนะสมาธิก็เป็นวิธีการอันนึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเสียด้วยซ้ไปแต่ก็มีประโยชน์พระพุทธเจ้าก็เอามาใช้ะแต่ใช้แล้วท่านไม่ได้หยุดอยู่แค่สมาธิถ้าเราอ่านพุทธประวัตินะจะเห็นว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกจากวังมาออกจากวังมางานแรกที่ท่านไปทํานะก็คือไปเรียนการนั่งสมาธิกับฤๅษี เรียนจากอารารดาบทหรือทักษดาบทฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้นิ่งฝึกจิตให้ดีมีความสุขมีความสงบเรียนไปจนกระทั่งจิตสงบสุดขิตแล้วพอถอยออกจากสมาธิท่านก็พบว่าความสุขมันเริ่มหายไปแล้วอันนี้ยังไม่เที่ยงอยีกท่านก็ไปถามอาจารย์นะถามอารารดาบทหรือทักษดาบทมีอะไรที่ยิ่งกว่านี้ไหมมีศาสตร์อะไรที่เหนือกว่าการนั่งสมาธิให้จิตสงบชั่วครั้งชั่วคราวไหม อาจารย์บอกอาจารย์ไม่รู้แล้วอาจารย์รู้แค่เนี้ยท่านก็เลยรู้สึกว่าวิชานั่งสมาธิเนี่ยท่านยังไม่พอใจะยังรู้สึกมันไม่เต็มอิ่มมันไม่พอสุก ช, ชั่วครั้งช่วคราวตอนที่นั่งออกจากสมาธิก็เสื่อมเสื่อมวัตถุอีกแล้วนะท่านเลยเที่ยวสแสวงหาหนทางปฏิบัติเอาใหม่นะไม่ใช่วิธีไปนั่งสมาธินิ่งๆทื่อๆอยู่ท่านก็ไปคิดดูว่าจิตใจของคนเรานะมันเล่าร้อนขึ้นมามันไม่มีความทุกข์ จิตใจเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์จิตใจดิ้นรนนะเพราะมันรักตัวเองเนี่ยเป็นสติเป็นปัญญาเหมือนกันนะเป็นปัญญาขั้นต้นๆจากการคิดพิจารณานะแล้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็มาทรมานตัวเองมันรักตัวเองมากนะทำให้จิตใจเนี่ยไปยึดถือในตัวในตนมากนะทรมานมันซะเลย มันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนมันอยากอยู่สบายนะไปนอนบนตะปูซ ะ, ะบ้างนอนบนหนามซะบ้างอะไรหวังว่าทรมานใจไปเรื่อยๆทรมานกายทรมานใจไปเรื่อยๆวันหนึ่งใจจะเป็นกลางนะหลุดพ้นจากความอยากได้ทัจริงคําสอนชนิดนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วะคําสอนที่ให้บังคับตัวเองกดข่มตัวเองบังคับกายบังคับใจอย่างเข้มงวด นั้นคําสอนมันเลยมีสุดต่งอยู่สองข้างนะข้างหนึ่งตอนที่ท่านไปหัดทีแรกหัดเข้าสมาธิมีความสุขความสงบความสบายท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางพอมาสุดโตมาอีกข้างหนึงบังคับตัวเองไม่ให้มันสุขไม่ให้มันสงบไม่ให้มันสบายแล้วนะกดขีดมันกดขีดร่างกายกดขีดจิตใจเรื่อยไปปรากฏว่ามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความลําบากนะไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนเลยอยากพ้นทุกนะั่นแต่ว่ายิ่งดิ้นรนมากก็ยิ่งทุกมากกว่าเก่าอีกนะ ท่านถึงมาควรพบทางสายกลางตอนที่ท่านจะพบทางสายกลางนะในตำราก็พูดถึงพระอินมาดีดพินเคยๆได้ยินเรื่องนี้มั้งไหมดีดจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าตำราว่ายอย่างนั้นว่าสายพินที่หย่อนเกินไปก็ไม่เพราะสายพินที่ตึงเกินไปก็ไม่เพราะพอดีพอดีถึงจะเพราะท่านเคยผ่านความสุขอย่างโลกๆมาแล้วนะอย่างเจ้าชายความสุขอย่างโลกๆเนี่ย มันหย่อนเกินไปท่านไป น, นั่งสมาธิมีความสุขสงบเพลิดเพลิน อ, อันนี้ก็หย่อนเกินไปสบายเกินไปท่านมากดขี่บังคับกายบังคับใจทําตัวเองให้ลําบากก็ตึงเกินไปแล้วทางสายกลางอยู่ตรงไหนถ้าเป็นพวกเราเราก็จะเที่ยวหาทางสายกลางทางสายกลางที่ดีมันอยู่ตรงไหนนี่ยท่านก็มานึกถึงตอนท่านเด็กๆท่านเคยทําอาณาปานสติตอนท่านเด็ ก, เ, ดก เ, าาาเล็กๆนะพ่อท่านไปไถนา ท่านอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวท่านท่านทำอนาคาณสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวจิตท่านสงบนะสงบโดยไม่ได้บังคับนะแค่รู้รู้สึกไปเลยหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกนไม่ได้น้อมจิตให้สงบนิ่งเหมือนที่ฤาษีทำแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะนี่พอจิตใจท่านสงบลงมานะอย่างเราหายใจถ้าเราหายใจไปด้วยความรู้สึกตัว เราลองปรับวิธีหายใจดูพวกเราที่ชอบนั่งสมาธิอนะเราหายใจไปเราจะไปบังคับตัวเองเราลองเปลี่ยนจากการหายใจแล้วบังคับตัวเองนะมาหายใจแล้วลองรู้สึกตัวดูหายใจแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้ไปเรื่อยๆร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆพอจิตใจมันสบายนะมันสงบมันสบายจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา ตอนนีมันเป็นเวลาที่ใช้เดินปัญญาได้จริงนะก่อนที่เราจะมาเดินปัญญาได้วิธีทางสายกลางที่จะพ้นทุกข์นะคือมีสตินี่แหละมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมารู้ความจริงของกายของใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่จิตที่เคร่งเครียดไม่ใช่จิตที่เคลิมเคลิมแต่เป็นจิตที่รู้สึกตัวนะสบายสบาย ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานด้วยจิตที่เป็นกลางมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราดูคนอื่นอย่าเห็นร่างกายนี้หายใจอยู่เหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจอยู่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเราเห็นคนอื่นเขายืนเดินนั่งนอนไม่มีตัวเราในร่างกายนี้เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะเหมือนเห็นความสุขความทุกข์ของคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเห็นความโลภความโกรธความหลงอะไรเกิดขึ้นในใจะ เหมือนเห็นคนอื่นโลบคนอื่นโกรธคนอื่นหลงไม่ใช่เราโลบเราโกวดเราหลงเนี่ย้าใจเรามีคุณภาพพอนะใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เราก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้แต่ก่อนที่จะเห็นตัวนี้ได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางอย่างพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีเจ้าชายสิทัตถาท่านใช้ ว, ชวิีรู้ลมหายใจ หายใจด้วยความรู้สึกตัวนะในสวดจิตรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมานี่พวกเราลองฝึกดูก็ได้นะต่อไปนี้หากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งมาทําใครถนัดกรรมฐานอะไรใช้อันนั้นตนอะ่ะไม่ต้องทะเลาะกันใช้ได้เหมือนกันทุกสำนักแหละนะไม่ดีไม่เลวหัวกันหรอกคนไหนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตนะพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดคอยรู้พุโทโธแล้วจิตหลงไปเผลอไปนะก็รู้ทันหรือมารู้ลมหายใจก็ได้นะหายใจไป จิตหลงไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆคนไหนชอบสัมมาระหังก็สัมมาระหังไปนะได้ข่าวว่าที่นี่มีสัมมาระหังเยอะเหอกันนะก็สัมมาระหังไปนะแต่ไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งนะสัมมาระหังแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตแอบไปคิดก็รู้ทนันะจิตไปเพ่งเข้าไปภายในนะเพ่งเข้าไปที่ฐานอะไรย่างนี้ แต่ละฐานแต่ละฐานจิตถลําเข้าไปเพ่งอยู่ที่ฐานใดฐานหนึ่งรู้ทันว่าจิตถลําลงไปเพ่งนี่ฝึกแบบเดียวกันหรือคนไหนชอบแบบหลวงพ่อเทียนนะขยับมือทําจังหวะขยับมือก็ขยับมือไปขยับมือแล้วมีสติรู้ทานจิตนะแล้วจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ทานจิตไหลไปอยู่ไปเพ่งที่มือรู้ทันะคนไหนถนัดดูท้องพองยุกก็ดูท้องพองยุกไปนะแต่ดูท้องพองยุกไปแล้วไม่ได้ไปบังคับจิตให้สงบนะ ไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งดูท้องพองยกไปแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันไปเดินจงกรมก็ใช้หลักเดียวกันนะเดินจงกรมนะจิตมันหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้นะจิตเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยก็รู้รงความก็คือเราหากรรมณฐานอะไรสักอันหนึ่งมาทําก่อนจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้นะตรงที่เผลอไปเนี่ยมันหย่อนไปมันตามใจกิเลสไป ตรงที่เพ่งไว้เนี่ยมันตึงเกินไปมันบังคับตัวเองนะเนความสุดโต่งมันมีสองอันนะหลวงพ่อสอนมานานเรื่องเสอกับเพ่งเสอเนี่ยคือใจมันหลงตามกิเลสไปเพ่งเนี่ยคือการบังคับควบคุมกดข่มตัวเองทําตัวเองให้ลําบากกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆกายก็แข็งๆใจก็แข็งแข็งมีพระสวดอยู่พระสวดหนึ่งนะมีเทวดาวงหนึ่งเทวดาวงนี้ยสําคัญตัวว่าเป็นพระโสดาบัน นเทวดานี่ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคาก็หพ่วงน้ําห่วงกิเลสนั่นเองนะกา ม, มาโอคะอะไรตัเนี้ยพราว่าโอคานะเอาวิชาอะไรพวกนี้ยท่านข้ามได้ยังไงนะคล้ายๆจะมาขอแลกเปลี่ยนความรู้นะฉันก็ข้ามเหมือนกันยนะฉันก็แน่เหมือนกันเรามาแลกทัศนะกันมาแลกเปลี่ยนกัน มาถามพระพุทธเจา้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาข้ามกิเลสได้ยังไงนะพระพุทธเจ้าก็ตอบไปบอกท่านผู้นิรทุกข์ท่านพูดเปล่าะนะเรียกเทวดาว่าผู้นิรทุกข์ผู้ไม่มีความทุกข์เราไปบอกว่าท่านผู้มีความทุกข์เนี่ยเทวดารับไม่ได้เลยเพราะสติปัญญาไม่พอไม่เห็นรว่ามีความทุกข์อยู่ถามว่ามหาเศรษฐีทุกข์ไหมมหาเศรษฐีก็ทุกข์นะคนสวยคนหล่อทุกข์ไหมทุกข์นะเนี่ยเทวดานะ รูปร่างหน้าตาดีทรัพย์สมบัติมากมีความสุขมากทุกข์แต่พระเจ้าก็เรียกแบบให้เกียรติวท่านผู้นี้รัทุกข์เราตถาคตนะข้ามโอคาข้ามกิเลสได้นะเพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่ไม่พักนะไม่พักอยู่แล้วก็ไม่เพียรอยู่เทวดาเจอไม้นี้เขางงเลยแล้วถามพระพุธเจ้าอยู่ฟังไม่เข้าใจนะไม่พักเนี่ยไม่ขี้เกียรติขี้คล้าเนี่ยเข้าใจแต่ไม่เพียรเนี่ยไม่เข้าใจ ให้ช่วยขยายความให้หน่อยเนี่ยเทวดาบอกตัวเป็นตริยะนะเจอคําตอบของพระเจ้าเนี่ยไม่รู้เรื่องลนะพระพุทธเจ้าท่านก็ขยายความให้บอกดูก่อนท่านผู้นีร้รัทุกข์ถ้าเมื่อไร่เราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเมื่อไหร่เราเพียรเราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียร น, นะเราไม่จมไม่ลอยนะเราข้ามโขคระได้ด้วยวิธีนี้ะเทวดาฟังแล้วปิ๊งเลยนะได้เป็นพระโสดาบันพาะเราปิ๊งไหมปิ๊งไหม อย่างแป๊กๆเหมือนเดิมนะ mm. พักอยู่ก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่ ง, วนนง mm. พวกเราปล่อยไหมปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งไหมแต่ละคนปล่อยปล่อยนะย่อดหย่อนเป็นทัทุกคนใครตั้งใจถือศีลห้าได้ทุกวันมัน้งมีไหม เห็นไหมช่วยยกมือหน่อยให้หลวงพ่อชื่นใจสาธุนะสาธุให้สามทีเลยสาธุอีกทีหนึ่งอ้าใครฝึ ก, กจิตทุกวันให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวะโอนี่สาธุให้สี่ทีเลยใครแยกธาตุแยกขันได้เห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเห็นไหมนี่มีเยอะนะเนี่ยออกคนนี้ก็มานะเนี่ยโยมคนนี้นะก็กลายแก่เป็นมะเร็งนะ แล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าจะตายแล้วอยู่อีกไม่กี่วันก็ตายแล้วภาวนาก็ไม่ได้แล้วสติแตกไปหมดแล้วทําไงดีหลวงพ่อบอกว่าให้พิจรณาอย่างนี้เลยว่าร่างกายเนี้ยนะเราขอถวายพระพุทธเจ้าไปเหมือนดอกไม้บูชาพระนะเราเด็ดดอกไม้มาใส่เจกันปักไว้หน้าพระดอกไม้จะเหี่ยวจะเฉาเรื่องของดอกไม้ลนะงั้นเราจะเอากายของเราเนี้ย ขอถวายเป็นพุทธบูชาที่เราจะภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะนั่งดูกายนอนดูกายมันมันเจ็บมันป่วยจะคอยรู้คอยดูไปเรื่อยอยู่ไปดูไปเนี่ยจนป่านนี้ไม่ตายนะมเร่งมาเร่งหายหมดอะ <c oughs> <c oughs> อนุโมทนาเนะี่คนจริงก็เาเเก่งอะเนี่ยถ้าเราหลงตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะเรียกว่าเราปล่อยชีวิตเนี่ยนะแบบพักอยู่ หาความเจริญไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกตรงข้ามส่วนใหญ่ที่ฝึกกรรมฐานกัน่ฝึกบังคับตัวเองแล้วฝึกบังคับตัวเองเนี่ยเพียนอยู่ที่ท่านเรียกว่าเพียนอยู่แล้วท่านไม่ให้ทําคือการบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็บังคับตัวเองเดินไม่เหมือนปกติแล้วเดินเส้วยเลยนะเดินโลกรียดนจะหายใจก็หายใจไม่เป็นปกติเคยหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะแล้วกําหนดลมหายใจไม่กี่นาทีเหนื่อยจะขาดใจตายแล้วเพราะไปบังคับลมหายใจนะ เคยท้องมันก็พองท้องมันก็ยุบตามธรรมชาติของมันมาแต่ไหนแต่ไรไม่เป็นไรกําหนดลงไปกําหนดลงไปเครียดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไปบังคับมันมากไปสิ่งที่เราจะไม่ทำนะมีสองอนั้นนะหนึ่งคือปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใ จ, ยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะไม่รู้จักรู้เนื้อรู้ตัวเอาเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยนะท่านบอกว่าถ้าถ้าถ้าท่านพักอยู่ท่านจะจมลงนั้นถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรนะื่อยเราจะจมลง จมไปถึงอ้ายเยนะจมไปในที่ตกต่ํานะนรกมีจริงๆนะไม่ใช่นิยายนะเพียงแต่ว่าบางคนไม่มีหูมีตาที่จะรู้จะเห็นเท่านั้นเองนะมาภาวนาแล้วเราจะเข้าใจเลยนรกมีจริงๆนะไม่ต้องนรกที่อื่นเลยเมื่อไหร่ใจเรามีกิเลสเกิดขึ้นใจมันทุกข์นะมันตกนรกตั้งแต่ตอนยังไม่ทันจะตายเนตกทั้งๆที่ยังเป็นอยู่เนี่ย น, ะนรกตรงนี้แหละดูให้ดีเลยนะตกจริงๆ ถ้าไม่ไรเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะเราจะตกต่ําเพราะกิเลสจะลากเราไปเรื่อยๆ อ, อย่างเราเล่นเกมนะเด็กๆวัยรุ่นเนะไนี่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์เล่นเกมนะทีแรกก็เล่นไม่นานนะเล่นไปเล่นมาเล่นไม่กินข้าวกินปลาเลยหลงมัวเมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยตามใจกิเลสนะไปเรื่อยเลยหรือคนเจ้าชู้นะทีแรกก็ไม่เจ้าชู้มากนะเคยเจ้าชู้แลว้วยิ่งเจ้าชู้หนักขึ้นเรื่อยๆมันเคยทําอ่ะ เรเคยทำแล้วมันทำง่ายขึ้นเรื่อยๆนงะั้นถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะเราจะเลวร้ายลงเรื่อยๆในสุดเราก็ย่ําแย่เองตัวเราก็ย่าแย่นะคนแวดล้อมเราเช่นคนในครอบครัวเราก็ย่ําแย่ไปด้วยเพราะว่าเราย่าแย่สังคมโดยภาพรวมก็แย่ไปด้วยทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องแย่ๆเพราะคนมันปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะ ร, รู้สึกว่านี่คือเสรีภาพเสรีภาพในการตามใจกิเลสเนระ ไม่ใช่เสรีภาพของคนมีสติมีปัญญาอะไรเลยคนจะมีเสรีภาพมีอิสระภาพจริงนะชนะกิเลสได้แล้วเราจะรู้จักเสรีภาพจริงๆเลยนะจะเป็นอิสระขึ้นมาจริงๆเลยทุกวันนี้เราไม่เป็นอิสระนะเราถูกกิเลสถูกปัญหาถูกความอยากนะวงการชีวิตเราวิ่งคลานๆต ล, านตลอดเวลานะหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เลยนะนนเราอย่าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเรื่อยๆไปนะ ในขณะเดียวกันเราก็ไม่บังคับตัวเองมากไม่ใช่เอะเขาจะนั่งสมาธิลูกเดี๋ยวคิดว่าศาสนาพุทธมีแต่เรื่องนั่งสมาธิตื้นไปนะพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งมาแล้วท่านก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางแต่ว่าเราก็ทําสมาธินะพอให้จิตใจสงบจิตใจร่มเย็นเป็นสุขแล้วมาหัดเดินปัญญาการเจริญปัญญานี่แหละเป็นสิ่งที่ในศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนไว้เป็นคําสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนาะเนี่ยพวกเราถ้าลำพังแค่ถือศีนั่งสมาธิอะไรเนี่ย ยังไม่ถึงเนื้อแท้ของคําสอนที่พระพุทธเจ้าต้องการเราก็รักษาศีลไปศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก น, ะนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็บัญญัติศีลขึ้นมาสมาธิก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะผู้รู้ผู้เก่งกล้าสามารถทั้งหลายเขาก็สอนวิธีทําสมาธิมาแต่การเจริญปัญญานั้นไม่มีไม่มีการเจริญปัญญามีแต่ทําจิตให้สงบทําจิตให้สงบไม่มีการทําจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา วิธีที่จะฝึกให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดนะขั้นแรกเลยถือศีลไว้ก่อนรักษาศีลไว้ถ้าเราไม่รักษาศีลจิตเราจะฟุง้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้นะเรามีศีลห้าไม่ต้องศีลแปดอกศีลห้า น, นี่แหละเอาให้ได้ก็แล้วกันถ้าเรารักษาศีลได้จิตเราจะสงบง่ายนะอย่างเราคิดจะฆ่าคนคิดจะตีคนนะคิดจะด่าคนเนี่ยจิตไม่สงบเห็นไหมคิดจะรักคิดจะขโมยเขาจิตไม่สงบคิดจะเป็นชู้เขาจิตไม่สงบนะ ให้เราคิดให้อภัยจิตสงบเราคิดเสียสละให้ทานในไนี้จิตสงบนะงั้นเรารักษาศีลไว้ น, นั่นจะเกื้อกูลให้จิตใจสงบง่ายนะถาจากนั้นจะมาฝึกสมาธิก็ได้นะคนไหนมันฟุ้งมากก็มาฝึกสมาธิมหัดพุทโธมหัดรู้ลมหายใจมหัดรู้ท้องของยุคนะเอาอะไรก็ได้เอาสัอย่างหนึ่งให้จิตมันมีบ้านอยู่มีเครื่องอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่อะไรก็ได้นะนนนกกนะแต่อยู่สบายสบาย อยู่ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่อยู่แล้วไปหลงนิมิตนะสมาธิที่พวกเราฝึกหลังๆนะมันสมาธิแล้วเกิดนิมิตเยอะแยะเลยภูมิใจว่าวเห็นนนท์เห็นนี่นั่งสมาธิแล้วเห็นเทวดานั่งสมาธิแล้วเห็นผีไม่เห็นอย่างเดียวไม่เห็นตัวเองไม่เห็นกิเลสของตัวเองนะสมาธิอย่างนั้นสมาธิออกนอกใช้อะไรไม่ได้จริงนะดูสนุกสนุกไปงั้นอย่างมากที่สุดแล้วก็ได้กลัวบาสนั่งไปเรารู้เออเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรนี่นะ ตัวบาปไม่กล้าทําชั่วอยากจะทําความดีได้แค่นั้นอ่ะนะมันมีสมาธิชนิดหนึ่งนะคือการฝึกให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาสมาธิชนิดนี้พวกเราต้องฝึกให้ได้ถ้าเราไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เราจะเจริญปัญญาไม่ได้นะเพราะจิตที่เจริญปัญญาต้องเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเจริญปัญญาไม่ได้ะจิตของเราไม่ใช่ผู้รู้ แต่จิตของเราเป็นผู้คิดนึกออกไหมจิตเราคิดทั้งวันจิตเราคิดทั้งคืนต่อไปนี้ลองฝึกนะวิธีฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานง่ายๆเลยคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเพราะจิตคิดกับจิตรู้เนี่ยตรงข้ามกันถ้าเมื่อไร่มันหนีไปคิดเรารู้ทันนะเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นนะพอมันหนีไปคิดอีกจิตรู้ก็หายไปเกิดเป็นจิตจิตคิดะจะสลับกันไปอย่างนี้ย ฉะนนพวกเราพอคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจะใช้พุโทโธใช้ลมหายใจอะไรเป็นฐานก็ได้นะใช้สัมมาอรหังใช้อะไรก็ได้นะแล้วคอยดูไปจิตมันหนีไปคิดเคยรู้จิตหนีไปคิดเคยรู้ฝึกนี้บ่อยๆนะให้กันบ้านแล้วนะผมก็กันบ้านข้อที่หนึ่งถือศีลห้าไว้กันบ้านที่ข้อที่สองมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานีก็คือคอยรู้ทันจิตที่แอบไปคิด จิตนี้คิดทั้งวันจิตนี้ไปคิดทั้งวันอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศรู้สึกไหมฟังไปคิดไปดูออกไหไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปตลอดเวลาเลยตั้งแต่เด็กมาเราก็ฟังไปคิดไปอย่างนี้แหละแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนีเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะยกเว้นเรื่องของตัวเราเองอย่างเราคิดว่าเราฟังอาจารย์ใช่ไหมฟังเล็กเชอร์ฟังอะไรองี้จริงๆไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปเราไม่เคยเห็นเรไม่เคยรู้เราไม่รู้จักตัวเอง รู้อย่างอื่นสารพัดนะเป็น Doctor, Doctor ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ได้แต่ไม่รู้ตัวเองนะงั้นเราค่อยมาหาัดรู้จักตัวเองนะจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้ในสุดจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมานะพอจิตมันเป็นผู้รู้แล้วเราค่อยสังเกตลงไปร่างกายที่ยืนอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นคนดู ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูนี่ค่อยๆฝึกแบบนี้ไปการเจริญปัญญาในทางพระพุทธศาสนานีไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นเหมือนการทํางานวิจัยภาคสนามเหมือนการทํางานวิจัยภาคสนามเลยเราทําตัวเป็นผู้สังเกตการณ์จริงๆเข้าไปดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงไม่ใช่ไปคิดเอาว่ามันควรจะเป็นยังไงหรือมันน่าจะเป็นยังไงนะจะไปดูว่าจริงๆมันเป็นงไง เอาใจที่มันเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดนะใจที values, ่รู <Okay. S 1> ้สึกตัวแล้วเนี่ยดูกายมันทํางานเอาใจที่รู้สึกตัวแล้วดูจิตใจมันทํางานเราจะเห็นในร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้านะเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูหรือนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเราก็เห็นอีกความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายความปวดกับร่างกายเป็นคนละอันกัน แล้วความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเนี่ยค่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะพอมันปวดมากๆเข้าความทุรนทุรายเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันอีกความปวดอยู่ที่กายแต่ความทุรนทุรายอยู่ที่จิตเพราะงั้นความทุรนทุรายกับความปวดก็คนละอันกันคนละขันกันนะหัดแยกไปเรื่อยนะค่อยๆดูไปในสุดเราก็จะเห็นความจริงอ่ะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดความเมื่อยก็เป็นสิ่งหนึ่ง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุรนทุรายของจิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้ทุสิ่งทุกอย่างเนี่ยการจะเริ่มเดินปัญญาจริงๆเราเริ่มกันตรงที่ต้องแยกแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นกองกองคำว่ากองกองเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าขันขันแปลว่ากองนีตอนนี้ใครทําถึงตรงนี้ได้บ้างแล้วมีนายยกมือให้ดูสิ ที่กายกับจิตคนละอันกันยกยกย ก, ยกสูงๆหนยพวกที่ยังไม่ได้ก็จะได้มีกําลังใจบ้างไม่ใช่รู้สึกหลวงพ่อสอนอะไรแอบสเตรกเหลือเกินจับต้องไม่ได้ไม่ใช่นะหลวงพ่อสอนสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดานี้แหละทาได้ไม่ใช่เกินธรรมดาหรอกเนพะียงแต่ว่าตลอดชีวิตเราเราหลงตลอดเราเผลอเผลอตลอดมาหัดรู้สึกนะรู้สึกตัวจิตนี้ไปคิดเรารู้ใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมา พอใจตั้งมั่นแล้วจะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะจะเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเกิดแล้วก็ดับไปตลอดเวลาผู้รู้เกิดแล้วก็ดับผู้คิดเกิดแล้วก็ดับนะสุดท้ายจะเห็นความจริงของชีวิตขึ้นมานะว่าจริงๆตัวเราแท้จริงไม่มีหรอก สิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆก็คือการรวมกันการประชุมกันของขันต่างๆนั่นเองพอเราแยกออกเป็นส่วนๆแยกขันออกเป็นส่วนๆแล้วพบว่าไม่มีเราคล้ายๆยังมีรถยนต์หนึ่งคันนะจับมันถอดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้ว็พบว่าพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดไปเรื่อยๆพบ ว, ว่าไม่มีรถยนต์หรอกนะความเป็นตัวเป็นตนนี้เหมือนกันนะถ้าเราจับแยกภาตแยกขันไปเรื่อยๆนะ แยกกายแยกความรู้สึกสุขทุกข์ออกไปนะแยกความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายออกไปแยกตัวรู้ออกไปแล้วจะพบว่าไม่มีเราในขันห้านี้ถ้าเราภาวนามาถึงตรงนี้ได้นะภาวนาจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะความทุกข์จะอยู่ที่ไหนมันไม่มีเราที่ที่จะเป็นทุกข์อีกต่อไปความทุกข์มีอยู่อยู่กับขันนั่นแหละร่างกายก็ทุกข์ของมันนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันก็เป็นทุกข์คือมันก็ทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกนะ กุศลกุศลทั้งหลายก็ทนอยู่ไม่ได้จริงมีแต่ของเกิดแล้วดับหมดเลยตัวจิตผู้รู้ก็ทนอยู่ไม่ได้จริงตัวจิตผู้คิดก็ทนอยู่ไม่ได้จริงมีแต่เกิดแล้วก็ดับหมดเลยเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยไปแล้วใจค่อยคลายความยึดถือมันจะไม่มีเราสุดท้ายไม่มีตัวตนวก็จะอยู่กับโลกอย่างที่อิสระจริจรงๆเลยเนีจะมีความสุขที่นึกไม่ถึงอ่ะความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งภายนอกไม่อิงอาศัยอะไรไม่อิงอาศัยคนอื่น เป็นความสุขที่ได้มาด้วยน้าพักน้ําแรงด้วยความภาคเพียร น, นะแต่ภาคเพียรมันด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ภากเพียรแบบบัวแบบ ว, า, แบบวายนะเอาแรงเข้าบังคับตัวเองบังคับตัวเองนะถ้าเราค่อยๆฝึกนะอันแรกรักษาศีลไว้อันที่สองคอยรู้ทันเวลาจิตแอบไปคิดนะเนี่ยหลวงพ่อฝากกันบ้านเอาไว้แค่เนี้ยนะพอพ อ, พอรักษาศีลบ่อยๆนะทีแรกก็รักษายากมันผิดศีลบ่อยนะแต่มาเราคอยรู้ทัน คอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆคอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆ่อไปสติมันเกิดเองนะกิเลสเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้กิเลสเกิดในใจคอยรู้พอไปรักษาศีลนี้เป็นเรื่องง่ายเลยคนทําจิตศีลได้เพราะกิเลสมันคล่อ ง, งําจิตะเงั้นถ้าเรามีสตินะศีลเราจะสมบูรณ์ขึ้นมาถ้าไม่มีสติอย่ามาคุยอวดเรื่องว่ารักษาศีลเก่งไม่เก่งหรอกนะบังคับตัวเองรักษาเราเครียดแต่ถ้าเรามีสตินะ สตินะั่นแหละรักษาจิตนจิตที่เเกิดศีลขึ้นอัตโน ม, มัติขึ้นมางั้นถ้าไม่มีสตินะอย่ามาคุยอวดนะเรื่องรักษาศีลเลยะถ้าไม่มีตัวผู้รู้นะอย่ามาอวดเรื่องสมาธิเลยสมาธิมีแต่สมาธิเคลิม้มเคลิ้มไร้สาระนะแล้วก็ถ้าไม่แยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจเป็นส่วนๆนะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญาเลยไม่มีจริงหรอกนะงั้นถ้าไม่มีสตินะอย่ามาคุยอวดว่ามีศีลเลย ไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอย่าอวดเลยว่ามีสมาธิไม่สามารถแยกคาดแยกขันได้กายส่วนกายจิตส่วนจิตอย่างนี้ยยกไม่เป็นนะอย่าอวดเลยว่าจเจริญปัญญานะได้แค่คิดเอาเท่านั้นนะงั้นเราค่อยๆฝึกนะฝึกไปมีสติขึ้นมาค่อยรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆจิตแอบไปคิดเรารู้อีบแล้แอบไปคิดรู้จิตจะตั้งมั่นนะแล้วมันเ๋ยวนไม่ได้รู้แค่นั้นหรอกพอจิตมีกิเลสขึ้นมามันก็รู้ด้วย ตรงที่จิตมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วเรารู้บ่อยๆนะต่อไปศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะศีลมันขาดไปเพราะว่าเราขาดสติกิเลสครอบงําจิตได้ศีลก็ขาดถ้ากิเลสครอบงําจิตไม่ได้นะเรามีสติรู้ทันเนี่ยศีลมันก็เกิดขึ้นอัตโนมัตินั่นเรามีสติรู้ทันกิเลสที่จิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะศีลมันมีเองแล้วเราไป ร, รู้ทันมีสติรู้ทันจิต ท, ที่แอบไปคิด จิตนีไปคิดเอารู้จิตนี้เป็ u, นคิดรู้เราจะได้สมารถชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมานะถจากนั้นค่อยๆแยกกายแยกใจไปเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูอะไรเงี้ยเห็นความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเห็นกุศลอนกะุศลเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเองก็ถูกรู้ถูกดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เกิดแล้วดับนะตลอดเวลานี่เราฝึกอย่างนี้นะ ถ้าเราได้อย่างนี้เราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดท้ายวิมุตติก็เกิดขึ้นวิมุตติก็คือการที่จิตมันปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเนี่ยพอมันวางไปแล้วนะมันจะมีความสุขที่อัศจรรย์ชนิดใหม่เกิดขึ้นไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นเลยไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นเลยเราจะอยู่กับโลกเนี่ยมีความสุขที่สุดเลยอยู่กับโลกอย่างฉลาดไม่ใช่อยู่อย่างเป็นเหยื่อคนทุกวันนี้อยู่กับโลกนะอยู่อย่างเป็นเหยื่อแท้ๆเลยเหยื่อของการโฆษณาขายสินค้านี่ก็แย่แล้วนะ เหยื่อของความอยากของตัวเองเอยากไม่มีที่สิ้นสุดเลยอย่างบางคนนะอยากได้บีบนะแพงแพงอุตสาห์ไปซื้อมาเก็บเงินตั้งนานไปซื้อมาตกรุ่นอีกแล้วเศร้าใจอีกแล้วต้องเก็บเงินใหม่นะน่ตกเป็นทาตความอยากของตัวเองนะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะงั้นเรามาฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองไหมวันหนึ่งเรามีความสุขอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เราอยู่กับโลกด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ตกเป็นที่ค่ามันหรอกไม่ตกเป็นเหยื่อของมันหรอก จะอยู่กับมันอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะเข้าใจตัวเองจนะมีชีวิตที่ราบรื่นมีความสุขมีความสงบนะหลวงพ่อเทศมาก็สี่สนะิบนาทีเท่านี้ก่อนจบยังขอยังจะได้ไป <c oughs> มีการถามอะไรไหมมีไหมหรือไม่มีนรมาสการเจ้าค่ะเ อ, อ่อมีผู้ประสงค์จะ มีคำถามเจ้าค่ะเจ็ดเสนอรายชื่อไว้เจ็ดท่านเจ้าค่ะอ่าเจดท่านได้ขออ น, นุ ญ, ญาตอ่านรายชื่อแล้วมีไม้นะคะตรงกลางนะคะขออนุ ญ, ญาตจับเป็นฉลากนะคะถามแต่เรื่องการปฏิบัตินะเมื่อถามเรื่องอื่นไม่ตอบอ่ะเช่นหวยจะออกอะไรอะไรตายแล้วไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะ ท, ที่จับมาเป็นคำถามเลยค่ะที่แรกใ ห, ให้ใส่ชื่ออะค่ะ ยังไงดีคะพระอาจาร ย, ย์อ่านเลยไหมคะอ่านเลยอ่านเลยกระผมมีปัญหาในการปฏิบัติจึงขอกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะแก้ไขอย่างไรไหนล่ะกระผมะคือคนไหนไมันมีปั ญ, าปญหาอ่านไม่ออกเลยค่ะมาพูดทีนี้เลยพูดใหม่ได้ไหมคะจาได้ไหมคะอ่านไม่ออกขอโทษทีคะ่ะขอกราบเรียนหลวงพ่อครับอคราวที่แล้วหลวงพ่อเมตตาสอนผมให้ดูร่างกายถูกรู้ ถ, ถ, ถูกดูครับ อืมแล้วผมก็ไปดูแล้วก็เกิดอาการไปเพ่งร่างกายครับเอออย่าไปเพ่ ง, <ล>เพงนั้นแล้วก็ไปเพ่งจิตใจครับเออทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ากหายใจยไม่สะดวกเหมือนที่หลวงพ่อเทพวันนี้เลยครับอืมเนีเราไปบังคับมันมากไปนะหลวงพ่อให้ดูมันไม่ได้ให้ไปเพ่งไปบังคับมันวิธีดูดูก็คือความรู้สึกอะไรเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้สึกอย่าไปจ้องไว้ก่อน ถ้าจ้องไว้ก่อนไม่ให้คลาดสายตานี่เครียดเ mm hmm. ช่นเราจะหยิบแก้วน้าเนี่ยเราก็คยจ้อง mm hmm. จ้องใจเอเครียดขึ้นมาอันนี้ผมได้ปรึกษากัลยาณมิตรเมื่อเร็วๆนี้ครับ mm hmm. อ่ก็แนะนำให้ผมปล่อยหลงไปเลยครับ ถ, รถ้าเพ่งแรงก็หลงไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าหลงนานนะครับเพราะฝึกหลงเนี่ยฝึกง่ายมากเลยฝึกรู้นี่ยาก <laughs> ปล่อยหลงให้แล้วก็ให้ตามรู้ mm hmm. ใช่ไหมครับใช่ นะคืออย่าไปบังคับมันที่เขาว่าให้หลงหมายถึงวนะ่าอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะพอเราเราไม่ได้จ้องไว้ก่อนเนี่ยแป๊บเดียวจิตก็หนีไปคิดละเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายเดี๋ยวก็เกิดสุขเดี๋ยวก็เกิดทุกข์นะเราก็คอยรู้ทันมีสติตามรู้ไปไปคิดเรื่องนี้โกรธ <C os m akes> ขึ้นมารู้ว่าโกรธมีคิดเรื่องนี้โลภขึ้นมารู้ว่าโลภไปคิดเรื่องนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะคอยรู้ทันใจปล่อยให้มันทํางานแล้วก็คอยตามรู้มันไ ป, ไป ดีบอกใช้บอกว่าหลงไปเลยนะใช้คำว่าเอาแค่ว่าปล่อยให้มันทํางานแล้วค่อยค่อยตามรู้ก็แล้วกันอย่าไปจ้องไว้ก่อนวันนี้ผมผมก็เคยปล่อยแล้วครับหลวงพ่ออันนี้พอปล่อยไปแล้วมันก็ยังยังยังกัดไปไปดูคล้ายๆดูแรงเกินไปนอ่ะแรงเกินแรงไปนะใจเราโลภไงเราอยากรู้ชัดๆอยากปฏิบัติใจมีความอยากมากมากใช่ใช่ถ้ารู้ทันต้นต่อของมันรู้ทันใจที่อยากมันก็คลายออกนะไปค่อยรู้ทันใจที่อยากไป ขอบพระคุณหลวงพ่อครับท่านต่อไปนะคะเอคุณดำรงตีพิสารค่ะขอเชิญที่ไม้เลยค่ะกับนมัสการหลวงพ่อครับเอ่อเท่าที่ผมฟังเสีดีก็คือว่าให้เราเออเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อสอนเหนะครับให้ฝึกให้มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็อจิตมีจิตตั้งมั่นเห็นใตรลักรูปนามถูกไหมครับหลวงพ่อ แล้วทำไม่ะก็คือผมสรุปสรุปเหมือกับว่าฝึกให้มีจิตที่ตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามิถูกไหมครับถูกถูกนะที่ทําอยู่ก็ถูกนะรู้สึกเป็นโลกก็เริ่มห่างออกไปนะ้ก็เห็นเห็นบ้างครับผมวงพ่อ<ม>นะดีนะฝึกเรื่รอยๆแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับทำในรูปแบบไหมทุกวันทํำไหมค่อนข้างทําได้น้อยครับนะทํานะทําตอนนี้จะได้มีแรง รู้หลักแล้วรู้หลักแล้วนะต้องแยกรูปแยกนา ม, มนอะไรเงี้ยรู้หลักครับแต่พอเรารู้หลักแล้วแต่ว่ากําลังของเราไม่พอมันก็เดินไม่ไหวครับทําในรูปแบบไหมจะได้เพิ่มกําลังอแล้วอย่างเริ่มมีการอ่าเหมือนกับว่าเดินปัญญาได้บ้างหรื อ, อยังเนี้ยครับเดินสังเกตไห้กายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตมันเริ่มแยกออกสังจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาอยู่ที่แยกกายแยกจิตนะนะั่นเอง ครับนะเป็นปัญญาตัวที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทยานไปฝึกต่อไปพอแยกกายแยกจิตได้แล้วก็เห็นเนืกายก็แสดงไตรลักษณ์จิตก็แสดงไตรลักษณ์ตรงนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าลําพังเห็นกายเห็นจิตเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายความเป็นไตรลักษณ์ของจิตท่านที่สามเช่นคุณพิชิตตึ้งตึ้งเสร็จ ค่ะคุณพิชิตอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าขเฉพาะผมเนี่ยจะลิตเนี่ยต้องเดินแนวไหนครับพิจารณาตรงไหนดีครับยอมเป็นคนคิดเยอะไหมเยอะครับคิดมากนะ ค, คนคิดเดยอะเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนคิดเดยอะนะดูความรู้สึกของตัวเองเลยครับดูความรู้สึกอย่างเดียวนะครับอโอเคเราเด็กพอเราคิดแต่วความรู้สึกมันก็เปลี่ยน ใช่ไหคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกคิดเรื่องนี้เกิดอารมณ์ดีคิดเรื่องนี้เกิดกิเลสนะครับนั่นเรก็จะคอยดูใจเนี่ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนติ้วติ้วตเปลี่ยนแสดงใจรักตลอดวันครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละดีฝึกแต่นะน้ำนี่แหละนะครับนะรักษาศีนก่อนนะครับช่วยเป็นตัวช่วยมากเลยครับแล้วทําในรูปแบบครับไม่พ้าสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันก็ทําทุกวันครับดีดีทําทุกวันครับดีละครับแต่กลคืนจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะปนผ่วงคร กลัวอะไรล่ะก็กลัวไม่ได้ทําครับไอ่ได้เวลานอนก็นอนไปครับผมเพราะว่ามันจะตื่นอยู่ตลอดครับแต่ว่าถ้าเราฝึกจนชํานาญนะครับผมมันเหมือนไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ครับมันตื่นซ้ายตื่กว่ามันรู้สึกทั้งคืนเลยครับใช่ครับมันจะมันมันเหมือนนอนไม่หลับมันรู้สึกทั้งคืนเต่ว่ามันไม่ง่วงนะครับมันก็ไม่เปลียไม่ง่วงอะไรใช่ครับใช่ครับเพราะปกติร่างกายนอนนานแต่จิตนะนอนแป๊บเดียวทุกคนแหละนอนแป๊บเดียวจิตก็ตื่น จิตมันขึ้นมาทํางานนั้นก็ฝันอึดตลุดแล้วอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทั้งคืนเลยครับนี่เราเราฝึกจนสติเราชํานาญขึ้นมาเลยแต่จิตมันตื่นขึ้นมาครับมันตื่นตลอดครับดีดีนั่นแหละจะได้เป็นผู้ตื่นครับขอบคุณครับ <c oughs> ดีนะมีประโยชน์เยอะเลยขโมยเข้าบ้านรู้หมดเลยขั้นต่อไปนะคะตัวเล็กมากเลยอ้าวคุณตัวเล็กเชิญ <c oughs> มีไหมก็ไหนเจ้าของคะอ่าหยิบแว่นละไม่มีเจ้าของเหรองั้นทั้งต่อไปนะคะนันทภักค่ะวัชรินการค่ะคุณนันทภักกับหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่ออย่างเดียวคะ่ะมาเป็นปีลคะค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสส่งกันบ้าน ก็จะขอส่งการบ้านผลการปฏิบัติที่ผ่านมาคือเห็นกายเห็นมันถูกดูถูกรู้แล้วแล้วมันก็จะกลับไปรวมกันอีกอืแล้วพอรู้สึกตัวมันก็ถูกรู้อีกลรู้สึกเลยว่ามันถูกรู้ถูกดูได้ด้วยหลวงพ่อได้สนุกมากเลยค่ะเออนะสนานะสนุกนะถูกแล้วสนุกค่ะแล้วมันมีสันท่าค่ะแล้วมันอยากเดินจงกลมทุกวันตั้งแต่วันที่ถูกรู้ถูกดูเป็นครั้งแรกเป็นต้นไปอะค่ะก็เดินเซซีนะค่ะทีนี้ก็ หลังจากที่ดูกายชัดอะค่ะแล้วดิฉันก็รู้สึกเลยว่ามันดูใจชัดด้วยอืมเวลาใจเผลอมันเห็นเลยว่ามันถูกส่งไปที่โทรทัศน์อมันถูกส่งไปที่เพื่อนมันถูกส่งไปที่ลูกค้าแล้วแล้วมันก็รู้ว่ามันก็กลับมาอีกอืมแล้วก็มันก็กลับมาเองค่ะแน่นไหมตอนกลับมาเอ่าไม่แน่นค่ะมันรู้มันจํารู้กลับมาที่ลมหายใจเพราะเราฝึกดูลมหายใจอยู่ มันจะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาทํางานนะค่ะได้ค่ะทีนี้ก็รู้มาแค่นี้นะคะหลวงพ่อที่ฝึกมาไม่ทราบว่าค่ะแล้วอยากรู้ว่าที่รู้มานี่รู้ถูกต้องไหมคะรู้ถูกนะค่ะค่ะขอกันบ้านค่ะคอยไปรู้ทันกิเลสค่ะนะในใจเรากิเลสตัวไหนมันเด่นเลยเนี่ยเราคอยรู้ทันเรื่อยๆกิเลสนี่มันตัวร้างสารค่ะทําให้เราไม่มีความสุขความสงบนะค่ะกิเลสตัวไหนแรงบ้างตัวไหมโทสะค่ะ ความความโกรดความไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูเก่งมีไหมกูเก่งก็นิดหน่อยมีเหมือนกันนะคะจะดูนะมีเป็นระยะระยะเ อ, อค่ะฝึกดูนะหลวงพ่อคะอีกเรื่องนึงค่ะพอมันรู้กายเนะคะ่ะดิฉันรู้สึกว่ามันมีความเป็นข้างนอกความเป็นข้างในค่ะใช่ค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนั้นแห ล, และเคย อ, อ่านสติปัฏฐานไหม ธรรมะภายในธรรมะภายนอกธรรมะที่หยาบธรรมาที่ละเอียดธรรมะที่ใกล้ธรรมะที่ไกลรู้สึกไหมมีใกล้มีไกลมีค่ะมหยาบมีละเอียดเห็นไหมมีนี่นี่ใกล้ไกลนี่ค่ะแต่ดูไปทั้งหมดตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลยดูให้เห็นใจรักไม่ให้ดูเพื่อให้เป็นอะไรคค่ะะะนไม่ใช่ว่าต้องแยกกันตลอดเวลาไม่ใช่ค่ะแต่เวลาดูระหว่างอันนึ่งดูไปดูไปบางทีจิตไม่ถึงฐานนะ จิตกระจายออกไปกว้างๆถลําออกไปข้างนอกให้ให้รู้ทันตัวนี้นะก็มันจะได้กลับเข้าบ้านค่ะรู้มันกระจายกระจายใช่ไหมคะเออมันกระจายค่ะค่ะถ้าจิตกระจายอย่างเนี้ยอริยมรรคจะไม่เกิดขึ้นะถ้าสมาธิไม่พอค่ะก็ค่ะแค่นี้ค่ะหลวงพ่อแค่นี้ก็เยอะแล้วคค่ะเก่งใช้ได้โฆษณาด้วยคำนิยามคนละหนึ่มคําถามก็พอนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ว่าอ่านไม่ออกคุณสรุตค่ะเชิญค่ะ ถึงคําถามนะคะกาบนมัสการพระอาจารย์นะครับก็ผมก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ได้ได้รับแจกซีดีจากอาจารย์ที่โรงเรียนนะฮะก็ประมาณสองปีฮ ะ, ะโดยที่ไม่ได้ส่งการบ้านมาเลยะะหลายหคนบอกว่าอันตรายมากอะไรน ะ, ะ, ะทำไมอันตรายคนที่เขาฟังซีดีนะอยู่อเมริกาอะไรเนี้ยว่า ม, มาส่งการบ้านเนี้ยพอนักเป็นเนี้ยเยอะแ ย, ยะเลยครับก็ ซีดีหลวงพ่ไม่อันตรายไม่ใช่ครับแบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยฟังซีดีแล้วถ้ารู้รู้หลักหลักปฏิบัติแล้วไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะไม่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่เป็นไรมีสติมีปัญญาเป็นครูบาอาจารย์อยู่กับตัวเราทั้งวันแหละครับระหว่างการถามอาจจะขออนุญาตขออภัยเพื่อสาทำมิกด้วยนะครับอาจจะยาวไปหน่อยนะเพราะว่าค้างไว้ต้องสองปีครับอาจจะมีภาษาสุภาพวงเล็บสมัยพ่อขุนลามบ้างนะครับ คำถามข้อแรกนะครับผมไอตอนนั้นนะครับตอนอยู่ม6นะฮะกำลังทำการบ้านวิชาชีวะอยู่บนเตียงนะฮะเพราะว่าโต๊ะนี่กลายเป็นที่วางของมาแล้วนะฮะก็กำลังขีดเส้นขั้นหน้าอยู่ฮะเห็นขึ้นมาว่าพ่งขึ้นมาเลยว่าไอ้มือนี้เป็นก้อนๆอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ได้เลยอะไรเปล่าไอ้นั่นนี่ของจริงใช่ไหมของจริงเซนะฮะแล้วก็จำไม่ได้ขนาดไหนฮะกำลังนั่งๆอยู่ฮะ แล้วเราก็ดูจิตไปฮะแล้วมันดีดออกมาฮะตัวผู้รู้มันดีดมาพัวออกมาแล้วมันก็มองจิตตัวอีกอีกตัวหนึ่งฮะซึ่งมันเป็นจินตเขาเรียกจิตแต่ ง, แ, <ส>งแล่นแล่นแล่นแล่นไปคุณทำลายอย่างนี้นั่นแหละมันปรุงแต่งตัวนั้นเชรปุ๊บมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไม่รู้ปัญญากล้าหรือสมาธิก้าเลยไม่รู้หัวมันนะก็เห็นพอยจิตตัวผู้รู้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บก็มีไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งก็คอยไปรู้ผู้รู้อีกเงนี้ ไอ้ชั่วขนาดจีดน้ําเอาเราวะกูก็จะตามดูไอ้ผู้รู้เนี่ยไตามทำงั้นผิดนะออ๋มันจะซ้อนๆไปไม่มีที่สุดเลยแต่เราก็เป็นคนที่ไม่ไม่ทนว่าให้รู้ทันใจที่โลภนะใจโลภอยากไปดูผู้รู้นี่ดูตัวนี้ดูที่ใจตัวนั้นไม่ใช่ละมันหลอกให้เราดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งฮะฟังวิทยุสังฆทานธรรมฮะจะมีช่วงหนึ่งที่เขาพักก็เปิดเปียโนฟังนฮะไอ้เราก็เป็นนักดนตรีฮะก็เลยแบบว่า เพลงนี้เพราะจังเลยอยู่ในอัลบั้มไหนขายที่ไหน <ม S 2> สักพักหนึ่งมันรู้ทันขึ้นมาฮะมันเห็นปฏิจจสมุปบาทไล่มาตั้งแต่ภาษาเวทนา <ม S 2> ไล่มาครบหมดเลยอย่างเงี้ยเราว่าโ อ, ไ อ, ไอ้โหไ้เฮ้ยกูทำมาเกือบสองปีกูเพิ่งมาเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะมึงทำ<ล>ทอย่างที่กูสอนนั่นแหละเวลาพูดกับตัวเองจะพูดไม่สุภาพอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยขออภัยมาเบื้องต้นอย่างเงี้ยเลย เรื่องที่สองครับตั้งแต่ฟัมีกี่เรื่องเนี่ยป า, าณสามเรื่องเรื่องที่สองก็ตั้งแต่ช่วงหลังๆฮะผมรู้สึกว่ายอ่อหย่อนในการปฏิบัติมากนะฮะ <c oughs> ก็ได้ระลึกชาติไปเห็นมีชาติหนึ่งเราเคยเป็นพระทางอีสานนะฮะแล้วเราแบบผิดพระวินัยทุดงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็เลยตายในถ้ำผมก็เลยว่าไม่ได้ละเราก็ต้องมีวินัยมากขึ้นผมก็เลยแบบว่าอธิษฐานบบว่าหนึ่งชั่วโมงกูจะนั่งสมาธิ พุทธรัตน์ธรรมรัตน์สังฆรัตนะถ้าเกิดกูมั่งขาออกเมื่อไหร่ก็ให้กูถูกฟ้าผ่าตายอืมอย่างเงี้ยฮะแต่ผมก็เลยอยากถามว่ามันแบบตึงเกินไปไหมด้วยครับไม่เป็นไรแบบนั่งได้ไหมล่ะก็นั่งได้กอนั่งได้ก็นั่งไปแต่พอออกมามันโอ้ตั้งมั่นแบบดีเวอร์นั่นแหละไม่เป็นไรแสดงว่าของผมนี่ต้องแบบว่าทรมานตัวเองมากๆถึงจะโอเคนะฮะไม่ใช่จุดอ่อนปัญหาของคุณนะมันฟุ้งไปครับจิตมันฟุ้งสั้นมาก นะั้นค่อยมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านให้เยอะไว้เราจะไปได้ดีกว่านี้สแสดงว่าต้องทําสมาธิมากมากกว่านี้เรื่องอะไรมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ทําสมาธิเยอะกว่านี้นะทําสมาธิแรงกว่านี้นี่จะซึมไหม<อ>ให้เพิ่มสติไม่ใช่เพิ่มสมาธิ<อ>สติอ่อนไปครับข้อที่สามก็คุณสรุปคะ่ะครับ ขอสองข้อได้ไหมคะขอบพระคุณมากมาครับที่การรู้หน้ากันแบบนีะคุณศิริรักณ์ค่ะคุณพณิชกิจค่ะกลาบหลวงพ่อคะอ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีโอกาสส่งการบ้านหลวงพ่อนะคะคือซีดีของหลวงพ่อดิฉันจะมีโอกาสได้ฟังจากเพื่อนก็ฟังฟังอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่ คนอื่นเนี่ยไม่ไม่เคยทำแล้วก็ไม่เป็นด้วยค่ะทีนี้ว่าแต่แค่ฟังซีดีหลวงพ่อก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกสุขเอแต่ว่าอยากจะถามหลวงพ่อว่าเด้วยความที่โดยส่วนตัวฉันแบบว่าคือคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ดูแลน้องๆแล้วก็ตัวเองก็มีครอบครัวด้วยบางครั้งเวลาเรามีอะไรเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าการที่หนูเนี่ย ไปยึดอย่างเพื่อนเพื่อนสนิทกันก็จะบอกว่าแบบเราไปยึดกับน้องมากเกินไปแล้วเวลาเรามีอะไรที่มากลุ้มใจหรืออะไรเครียดเนี่ยก็มีหลายคนก็บอกว่ามันเป็นวิบากกรรมก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าคําเนี้ยมันมันหมายเพราะว่ายังไงอะคะคือหมายความอะไรช่างข้อ น, น ะ, ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดอะกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ไวไวไวนะเราจะพัฒนาต่อไปได้นะไม่ต้องไปแปลมันแบบพี่บง่งวิบากรึ อืเห็นคนพูดเยอะมากเขาก็พูดไปงั้นแหละค่ะให้หนูก็งงว่าเออเราแบบเราใครดูทันให้รู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ตัวนี้เรื่อยๆไปค่ะแล้วชีวิตจะดีขึ้นเอ่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะว่าหับขับใจนะมีบวลพรอนยไม่บอกสิงเจียอยู่อี ค่าต่อไปไม่มีชื่อค่ะมีแต่คำถามจะใช้กุสโลบายอะไรจึงทำให้เชื่อว่ามีโลกหน้าสวรรค์สวรรค์มีนรกมีจริงไหนไหนท่านไหนล่ะยังอยู่ไหมหรือไม่อยู่แล้วไม่นีนะคะไม่ต้องกุสโลบายนะดูของจริงในใจของเราเป็นขณะขณะไปนะเราจะรู้เลยว่าชีวิตเราเนี้ยสืบทอดเป็นลูกโซ่อยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องรอไปชาติหน้าไหนไหนชาติหน้าใ น, น, นจิตใจของเราเนี่ยแต่และชาติแต่และชาติน่ะเกิดเร็วมากเลยเดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนเลวเดี๋ยวก็เป็นคนสุขเดี๋ยวก็เป็นคนทุกข์นะดูชาติตัวนี้ก่อนนะแล้วก็จะรู้เลยว่าถ้าเราไปทํากรรมชั่วไว้นะจิตใจเราก็จะเสียหายสร้างหมองมีปวดไม่ดีถ้าเราทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจิตใจเรามีพัฒนาการในทางที่ดีเนี่ยมีกรรมมีผลของกรรมจริงๆ ไม่ไปขึ้นสวรรค์ที่ไหนเรานะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเนะี่ยสําหรับคนที่ไม่มีหูมีตาที่จะไปเห็นข้างนอกนะดูของเราข้างในแค่นี้ก็พอละเราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนี่ยอัศจรรย์ที่สุดการที่เรามีสติคอยรู้ทันตัวเองเป็นขณนะขณะไปนะเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทุกอย่างเกิดแล้วดับจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะรักพระพุทธเจ้าแนละ้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้า ถ้ารักแน่นแฟนเชื่อแน่นแฟนเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเพราะท่านเห็นความจริงล่ะทุกอย่างเกิดแล้วดับจริงๆอย่างที่ผู้ที่เจ้าบอกเราจะรู้เลยว่าท่านสอนของจริงนะไม่สงสัยอ่ะต่อไปอาจารเจ้าค้ามีขอเพิ่มอีกหนึ่งท่านอนุ ญ, ญาตไหมคะอ น, อนุญาตาาาคุณสุธีลาค่ะประเสริฐทรัพย์ค่ะหนึ่งคำถามนะคะกราบนาฏการหลวงพ่อค่ะคือ หลวงพ่อได้ให้กันบ้านไว้ก็คือให้หนูไปทําในรูปแบบมากขึ้นณ ว, วันนี้ก็คือทําในรูปแบบมากขึ้นค่ะสิ่งที่หนูเห็นก็คือว่ารู้สึกได้ว่าจิตเขารับรู้อารมณ์ภายนอกหรือข้างในเนี่ยได้เร็วแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างจากเดิมคือการตีค่าของเขาเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นละค่ะ ม, มันเกิดขึ้นน้อยน้อยมากค่ะนั่นแหละมันเริ่มฉลาดแล้ะก็เลยเห็นอย่างหนึ่งค่ะ เห็นว่าเขาไปอยู่ๆเขาเข้าไปยึดไอตัวที่รู้เนี่ยว่ามันเป็นของที่ดีมากเป็นของที่วิเศษมากเวลามันมีมันเกิดขึ้นอู้มันดีค่ะแต่พอมันไม่มีอ้าวมันจะทุกข์อีกแล้วควรจะเดินต่อยังไงคะถ้ารู้ทันลงไปที่รู้ทันกินดีพอใจขึ้นมาก็รู้ไม่พอใจขึ้นมาก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นเห็นแม้จะดีใจเขาก็ดีใจเองจะทุกข์เขาก็ทุกข์ของเขาเองไม่มีเราตรงไหนเลยค่ะแล้วดูจนกระทั่งใจมันแจ้งขึ้นมาว่าไม่มีเราตรงไหนเลย มดคำถามค่ะกับนมั ส, ส ก, การเจ้าค่ะงั้นก็ไปแล้วเนาะยหยาวาอริวหาปุราปริปูเรนตีสาขลังเอวเมวาอิโตดินังเปตานางอุปกปติอิชิตังกฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันราโสยถามนิโชติราโสยัา สัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินัสตตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายโยโภพ ะ, ะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทธาป จ, จายโนจัตตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลัง